อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1049 1. พ10ิกษณุีจำบรรษาในอาวาสที่มีภิกษุอยู่จำบรรษาหลีกไปศึกมรณภาพหรือไปเข้ารีดเดยรธี 2. ภพิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภพิกษุีวิกชจริต 4. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิคข้าบทที่ 6. จบ